อบายาภูมิขั้นแรกหรือขั้นสูงอบายาภูมิขั้นนี้เป็นภูมิติดต่อกันกับภูมิสูงฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าแม้จะปราศจากความเจริญและนับว่าเป็นอบายอย่างหนึ่งก็ยังนับว่าสูงกว่าอบายาภูมิขั้นอื่นๆที่เราจะได้พบเห็นต่อไปข้างหน้าเมื่อเราได้เข้ามาใกล้ๆ ก, กระท่อมหลังนี้แล้วจึงได้ลายเห็นได้ชัดว่าเป็นบ้านเตียเต้ยๆเล็กๆ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 อันแสดงถึงความทุกข์ทรมานของผู้อยู่ในอบายภูมินี้แม้จะเป็นขั้นที่ยังสูงกว่าส่วนอื่นก็ตามอย่างไรก็ดีในขณะ น, นี้เรายังไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้มากกว่า น, นี้จึงต้องปล่อยไว้เช่นนั้นก่อนและเราทั้งสี่ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่แดนอบายภูมิลึกเข้าไปทุกขณะตอนที่ปดสู่อบายภูมิ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 มีหินเป็นรอยแตกรล้าอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นที่พื้นดินเหล่านี้มีเป็นเมือกจับอยู่ทั่วไปทำให้รู้สึกว่าน่าจะลื่อนถลายทำให้หกล้มได้ง่ายเป็นอย่างยิ่งเมือกนี้มีสีเขียวช้ำช้ำและมีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายแรงสำหรับพวกเราอันตรายอันเกิดจากการลื่อนถลายล้ลมพลาดลงไปนั้นเป็นอันไม่ต้องคานึงถึงท้งนี้เพราะ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 และแห่งจิตใจอันอยากช้าของเขาทั้งหมดนี้เป็นผลกรรมของเขาเองทั้งสิน้นเมื่อเราเดินต่อไปอีกภาคหนึ่งก็ปรากฏว่าผนทางได้ลาดลงไปอีกและเราคือข้าพเจ้ากับรูตก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องประสบภาพที่น่าสังเวชน่าเกลียดและน่ากลัวยิ่งขึ้นไปทุกทีแต่เราก็รู้สึกอุ่นใจว่า